เพื่อให้เห็นชัดจึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือลงในหลักอริยสัจสี่ดังนี้ภาคที่หนึ่งมาเชนธรรมเทศนาหมวดหนึ่งทุก์ได้แก่บทที่หนึ่งชีวิตคืออะไรเรื่องขันห้าบทที่สองชีวิตคืออะไรเรื่องอยายตนะหกบทที่สาม ชีวิตเป็นอย่างไรเรื่องไตรลักษณ์หมวดที่สองสมุทยัยได้แก่บทที่สชีวิตเป็นอย่างไรเรื่องปฏิจจสมุปบาทและหมดที่หชีวิตเป็นอย่างไรเรื่องกรรมหมวดที่สนิโรธได้แก่บทที่6ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร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 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทสรุปหมวดที่สคือมรรคภาคที่สองมัชิมาปฏิปทาได้แก่บทที่อชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชิมาปฏิปทาบทที่สิองชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษาข้อที่หนึ่งประโตโคสะคือการยานามิตร บทที่สิบชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุคคภาของการศึกษาข้อที <zieh> ่สองยนิโสมนสิการบทที่สิบสีชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชิมาปฏิปทาหมวดปัญญาบทที่สิบห้าชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชชิมาปฏิปทาหมวดศีลบทที่สิบหกชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร องค์ประกอบของมัชิมาปฏิปทาหมวดสมาธิบทที่17บทสรุปอริยาาสัจส์4แล้วรวมถึงภาคที่สบทความประกอบตัวอย่างแสดงอริยธรรมวิถีชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรคือบทที่18ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอริยชนบทที่19ศีลกับเจตนารวมทางสังคม บทที่20สิบเรื่องเหนือสามัญวิสัยบทที่21ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจบทที่22ความสุขฉบับแบบแผนและบทที่23ความสุขฉบับประมวลความส่วนเนื้อความที่ดูแปลกไปโดยเฉพาะข้อธรรมที่มีชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเช่นปรตโตโคสะกัลยานามิตร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 แต่อาจเป็นไปได้ว่าในบางยุคบางสมัยไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องยกขึ้นเน้นย้ำหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษจึงเหินห่างเลือนรางไปการมีเนื้อความเช่นนั้นมาปรากฏอย่างแปลกตาในหนังสือนี้พึงเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณาเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาที่ควรจะสนใจข้อธรรมะและแง่ความหมายเหล่านั้นให้มากเป็นพิเศษหรืออย่างน้อยมากขึ้นกว่าเดิม ในทำนองเดียวกันบางท่านก็อาจสังเกตเห็นว่าคำสอนบางอย่างบางแย่ที่เคยเน้นย้ำขยายความโดยพิสดาลในบางสมั ย, มยก็มิได้เป็นจุดเด่นที่เน้นย้ำในหนังสือนี้อย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือนี้มีความมั่นใจพอสมควรว่าอัตราส่วนแห่งเนื้อความเกี่ยวกับข้อธรรมะและแง่ความหมายของหลักคำสอนต่างๆที่กล่าวถึงในหนังสือนี้ ใกล้เคียงมากกับอัตราส่วนที่เป็นจริงในพระบาลีคือพระไตรปิฎกที่เป็นหลังคำสอนหลักแต่ดั้งเดิม